ท่านฟังที่เคารพค่ะได้เวลาที่จะได้นำเอาเรื่องที่เกินไวต้ตอนต้นศึกชิงเจ้าอาวาสมาสนทนาในช่วงของถามโลกตอบธรรมกับพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีแล้วนะคะนำ้ำมัสการกันท่านค่ะจะเริยนฟอค่ะวันนี้ชื่อเรื่องหือหวาไปนิดหนึ่งก็โ ด, <c oughs> โดพิพุวจนะค่ะเลยเลยอยากจะกราบเรียนท่านนะคะทั้งสองประเด็นเลย ว่าในพุทธวจะนะเนี่ยจะขยายความในเรื่องนี้ให้พุทธศาสนิกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปสบายใจได้อย่างไรอันดับแรกก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุผู้ใดก็าตามเนี่ยนะที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างนี้แล้วควรได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาสได้ตรัสไว้ถ้าเราจะแต่งตั้งใครสักคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยคณะกรรมการที่อยู่ในในคณะกรรมการที่จะประกอบการพิจารณาให้พิจารณา5อย่างนี้หนึ่ บุคคลคนนั้นเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยมารยาทสมบูรณ์ด้วยวัดหรือเปล่าใช่ไหมอันที่หนึ่งคือเขามีศีลดีไหมมารยาทเนี่ย <Okay. S 1> คือพระเจ้านี่จะหมายถึงศีลอภิสมาจารย์บ้างศีลในระบบปาติโมกบ้าง <Okay. S 1> สมบูรณ์ด้วยข้อวัดก็คือการปฏิบัติของท่านเนี่ยเป็นอย่างไร <Okay. S 1> นะข้อที่สองพระรูปนั้นเนี่ยเป็นพระหูสูตรเป็นเจ้าตํำรับหรือเปล่าพระหูสูตรในที่นี้ก็คือจะต้องเป็นผู้ที่พระเจ้าบัญญัติไว้หลายแงย่หลายมุมของความเป็นพระหูสูตร อย่างที่เอาง่ายๆที่สุดพระรัชกาบอกว่าเธอผู้ใดเนี่ยรู้ธรรมแม้เพียงสี่บทแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นเรียกว่าพระหูสูตรผู้ทรงธรรมสี่บทเนี่ยอาจจะหมายถึงอริยสัจสี่ก็ได้และปฏิบัตินะอันที่สพระผู้นั้นเนี่ยที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติขัดเกลากิเลสยินดีในการหลีกเร้นยินดีในกัลยาณธรรมหรือเปล่า เอาทีละคำเลยขัดกล้าวกิเลสปฏิบัติขัดกล่าวกิเลสพระพุทธเจ้าพูดถึงอวตารหานิยธรรมคือกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตเนี่ยแล้วก็พูดถึงวิธีขัดกล่าวไว้หลายอย่างเอาง่ายๆที่สุดก็คือเรียกว่าชากริยาธรรมกันนะคือประกอบตนอยู่ในธรรมเ ป, เป็นเครื่องตื่นเดินจงกรมนั่งสมาธิฉันมือเดียวหรือว่าเป็นผู้ที่นอน ยามเดียวคือสี่ทุ่มถึงตีสอันนี้ขัดเกลวเพื่ออขัดเกลากิเลสยินดีในการหลีกเร้นก็คือว่าไม่คลุกคลีด้วยหมูคนะ่คณะมากใช่ไหม <c oughs> ก็มีเวลาที่ไปหลีกเร้นส่วนตัวก็มีองค์ประกอบที่3ของข้อนี้ก็คือว่ายินดีในการแกลนธรรมกกลนธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้หลายแง่มุมหนึ่งในนั้นคือมรตมี8เป็นผู้ปฏิบัติตามมรตแปดหรือเปล่าใช่ไหมข้อที่4พระที่จะมาเป็นเจ้า ว, วาดเนี่ย เป็นคนมีคุณสมบัติข้อที่4นี่ไหมคือมีวาจาอ่อนหวานพูดเพราะห <Okay. S 1> ูเพราะคนที่จะเป็นเจ้าวาดต้องติดต่อปฏิสันถานกับบุคคลมากมายถูกไหม <Okay. S 1> ต้องเ ป, เป็นผู้ที่มีวาจาอ่อนหวานเป็นวาจาที่ชาวเมืองก็พูดกันอันนี้คือคุณสมบัติข้อที่4ี่ <Okay. S 1> ข้อที่5คือบุคคลผู้นั้นเนี่ยที่จะมาเป็นเจ้าวาดเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เงอะงะภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างนี้แล้วควรได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าวาด เพราะนั้นเราพิจารณาง่ายๆแค่นี้ใครมีคุณสมบัติอย่างนี้มาเป็นได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของอะไรนะคะผู้ทรงกราดไว้เป็นหัวข้อว่ายอย่างไรนะรอ่าคือหัวข้อของผู้ที่ควรรับยกควรรับการยกย่องได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาสอ๋ออันตามวินัยนี่เขียนมาอย่างนี้เลยถูกต้องถูกต้อง แสดงว่าพุทธองค์นี่ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลนนว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีเจ้าวาดเกิดขึ้นมาแล้วจะมีความคําคถามจะมีคําขัดแยง้งก็คือให้เป็นไปตามธรรมให้เป็นไปตามธรรมคิดดูนะถ้าผมว่าลูกวัดเนี่ยเจ้าวาดของเราเนี่ยมีความเป็นผู้นำถูกป่ะมีคุณสมบัติ5อย่างเนี่ยผู้จาดีมีปัญญาเป็นพระหูสูตรรู้วิในแล้วก็ตัวเองก็ปฏิบัติด้วยเนี่ย โอ้เราตำหนิท่านในเรื่องใดๆไม่ได้ตำหนิท่านในเรื่องศีลก็ไม่ได้ตำหนิท่านในเรื่องการปฏิบัติไม่ได้เขาเรียกว่าปกครองคนอื่นได้เป็นผู้นํางดานจิตปิญญาณจริงจริงค่ะคือในเมื่อตัวเองสมบูรณ์แบบแล้วใช่ว่าใครก็ไม่เหมือนกับว่าตัวเองยังไม่เป็นอย่างนั้นเลยแล้วมาบอกคนอื่นได้อย่างไรท่านฟังคะอันนี้เป็นตามพระพุทธเจ้านะคะในส่วนของวิไนที่ทรงห่วงใยและได้วางมาสําหรับอนาคตการสืบมา จากการที่ล่วงพ้นสู่ปรินิพานไปแล้วเนี่ยทีนี้วันนี้ในส่วนของทางโลกเขาก็จะมีกฎ ก, ฎกติกาตามเท่าที่ได้ติดตามจากนังสืบพิมพ์อันนี้ก็จำมานะคะว่าในส่วนของเบื้องต้นเนี่ยก็จะให้ในท้องที่ เ, เหมือนกับว่าเจ้าอวาดที่อยู่ในในพื้นที่ทเดียวกันนะคะ ช, ช่วยกันเลือกช่วยกันคัดสรรขึ้นมาสืบเป็นทอดทอดไปอมีเจ้าคณะ จังหวัดดูเจ้าคณะภาคดูแล้วก็เสนอเข้ามาหาเถรสมาคมแต่ถ้า อ, อย่างไรก็ตามก็เข้าใจว่าหน้าที่จะผนวกเอาพู้ทวจะนะในส่วนของขวินยัยนี้เข้าไปด้วยแปลว่าในเขตเนี้ยหาสิใครเป็นผู้สูตรใครเป็นผู้มีมรารยาทใครเป็นผู้ปฏิบัติขัดเกลิเลิใครมีวาจาอ่อนหวานใครมีปัญญาเอาผู้นั้นในเขตนั้นมาเป็นเจ้าวาดไม่จําเป็นต้องมีภรษาเท่าไหร่นี้ไม่ได้ระบุค่ะ อ๋อไม่ได้ระ บ, บุไม่ได้ระ บ, บุ<ล>ว่ามีพรรษาเท่าไรแต่ควรจะเป็นพระเถระคือมีปรรษาเกิน10ก็แปลว่าท่านไม่ได้ให้น้ําหนักของความเป็นผู้มีอาวุโสมาก <โฮ S 1> อยู่นานมีอีกพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอาธิบายของคําว่าเถระจะมาเถระเนี่ยไม่ได้เป็นมีหลายนัยนัยนัยที่เราคุ้นคุ้นหูกันคือเกินพรรษาสิใช่ไหมเป็นพระเถระอีกนัยหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินก็คือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติคล้ายๆอย่างนี้ เป็นผู้หูสูดเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีศีลเป็นเทระได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีคุณสมบัติอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพระเทระล ะ, ะตามธรรมบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะ ย, ยังฟังไม่ทันซ้ําให้อีกนิดก็ได้นะคะว่าคุณสมบัติคือต้องสมบูรณ์ด้วยมรารยาทหรือว่าศีลสมบูรณ์ด้วยข้อวัดเนี่ยนะคะแล้วเป็นผหูสูตรู้ปฏิบัติตามธรรมสรุปให้ง่ายคืออย่างนี้เป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสยินดีหลีกเร้น ยินดีในกาลยาณธรรมรว่าจะอ่อนหวาน ม, มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เงอะงะท่านท่านภับูรณ์ก็มีประสบการณ์ในการทํางานทางโลกในองค์กรขนาดใหญ่มาแล้วเนี่ยอ ม, มองว่าทางโลกเนี่ยเอาวิธีของพระเจ้าเนี่ยไปใช้ได้ไหมคะเพียงพอไหมหรือว่าถ้าเป็นทางโลกมันต้องแตกต่างในผู้นําเกี่ยวกับทางโลกเนี่ย ค, คนที่จะเป็นผู้นําพทะเจ้าได้พูดไว้อีกที่หนึ่งคือเรื่องของการปกป้องทิศทั้งหลาย เพราะว่าทางโลกเนี่ยเราจะต้องมีลูกน้องมีเพื่อนร่วม ง, งานมีเจ้านายต่างๆพระพุทธเจ้าพูดไว้ในเรื่องของทิศทั้ง6ที่บอกว่าใครจะมาเป็นผู้นำเนี่ยนำให้เลิศนําให้ประเสริฐเนี่ยจะต้องปิดกั้นทิศเหล่านั้นซึ่งซึ่งเราได้กล่าวไปในรายการหลายครั้งเหมือนกันเรื่องของทิศทั้ง6คหกมาจะซ้ําอีกนิดหนึ่งว่ า, ามีทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างนี้ถ้าผู้ใดผู้หนึ่งปิดกั้นทิศทั้ง6หมดแล้วเนี่ยคือปฏิบัติตามทศต่่างางๆเหลลนีี้้ดแว ก็เป็นชื่อว่าเป็นผู้นําจิตวิญญาณของตัวเองได้พอนอําจิตวิญญาณของตัวเองได้เนี่ยก็สามารถนำผูื่นได้เหมือนกันเพราะฉะนั<ม>้นเท่ากับว่าผนวกเข้าไปเพิ่มในส่วนของที่ถูกเข้าไปพร้อมกับคุณสมบัติที่จะมาเป็นเจ้าอาวาส<ม>ตามวินัยนี้ก็น่าจะมาประยุกต์ใช้สําหรับในสังคมทางโลกได้<ม>ทีนี้มาอีกประเด็นนึงคะท่านคะประเด็นเกี่ยวกับพ ร, พระพุทธรูป ทีนี้เนี่ยสมมุติเกิดแหมเรายังไม่เชื่อน่ะอธิบายอย่างนี้เ<ช>ราก็ยังไม่เชื่อใช่องค์เดิมแบบไม่รู้เนี่ย<ช>ไปไหว้แล้วจะศักดิ์สิทธิ์เหมือนเก่าหรือเปล่าอันนี้<อ>ดิฉันไม่ได้พูดแค่หลวงพ่อโสธร น, นะคะ<ช>อาจจะมีกรณีพระพุทธรูปอื่นๆด้วยเนี่ยเพราะนั้นคนเนี่ยควรจะวางใจอย่างไรกับพระพุทธรูปค่ะ หรือว่าเจอพระที่ไหนก็ให้น้ําหนักเท่ากันหรือว่าไม่ได้ต้องดูก่อนว่าพระเนี่ยเขานับถือกันมากขนาดไหนศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนปรางนั้นปรางนี้ก็มีใช่ไหมเรื่องตำนานพระพุทธรูปนี้ก็มีหลายตำนานตำนานคนหนึ่งก็ไหวอย่างไรคนหนึ่งก็วาอย่างนี้เอาพระพุทธเจ้าไหวอย่างไงค่ะเอาว่างเลยพระพุทธเจ้าบอกว่ า, เ, าเสนาสนะที่เราอนุญาตให้สร้างเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเวลาจะ พ ร, พระจะขอสร้างอะไรต้องไปขออนุ ญ, ญาตพระพุทธเจ้าก่อนจะรับกุฏิวิหารอาคารไม้อาคารดินอาคารอิฐอะไรต่างๆๆเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตอาพทุทธเจ้าอนุ ญ, ญาตให้สร้างกุฏิได้อนุญาตให้สร้างวิหารได้อนุญาตให้สร้างนุนสร้างนี้ได้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่อนุญาตให้สร้างได้เพื่อระลึกถึงตถาคตสิ่งเดียวสิ่งนั้นคือเจดีย์สถูปเจดีย์ไม่ได้อนุญาตให้สร้างรูปเหมือนไม่ได้อนุญาตให้เขียนรูปเหมือน ปูนปั้นรูปเหมือน <Okay. S 1> แต่ถ้าจะระลึกถึงตถาคตนะพุทธชาตาบอกว่าเจดียสถานเหล่าใดเนี่ยถ้าถูกสร้างไว้ตรงทางสีแป้งแล้วเนี่ยแล้วมีผู้ใดผู้หนึ่งมีจิตระลึกถึงตถาคตเนี่ยในขนาดนั้นเนี่ยเขามีศรัทธาเนี่ยศรัทธาที่เขามีเนี่ยจะทำให้เขาไปสู่สวรรค์ได้ ต้องสร้างตรงทางสีแพร่งด้วยเหรอคะเพราะว่าคนจะได้เห็นมากๆไอคนจะได้เห็นมากๆจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดจะทําให้เกิดศรัทธาแล้วพาไปสวรรค์ได้ใช่ต้องมีศรัทธาก่อนนะถ้าไม่มีศรัทธาก็ไปไม่ได้นะค่ะทีนี้ถามว่าถ้าเราจะต้องการระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเนี่ยพระพุทธเจ้าให้สร้างเจดีย์องค์ประกอบของเจดีย์สถูปเจดีย์เนี่ยคือมีพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระธาตุของอพระผู้มีพระภาคอ๋อต้องต้องมี พระบรมสารีริกธาตุด้วยก็คือนั่นคือองค์ประกอบของเจดีเนาะอันนี้หมายถึงเป็นพุ้ทวจนะเหรอคะใช่ใช่เป็นพุทธวจนะเพราะนั่นอาตมามาศึกษาดูไงพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้สร้างบอกพุทธรูปเองแล้วจะคนไทยคนหนึ่งมีศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเนี่ยจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ยังไงคมีอย่างเดียวเลยคือเจดีสถูปเจดีในข้างในนั้นเป็นไรเป็นธาตุดินของพระพุทธเจ้าท่านเอง เป็นท่านดินเนี่ยเป็นก้อนอิฐหรือก้อนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสมมติว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุมันก็เป็นดินดินเนี่ยแหละใส่บ้างไม่ใส่บ้างก็เท่ากับว่าอันเนี้ยถ้าตามพุทธวจนะก็คือเจดีอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปนะคะแต่ทีนี้เรามองในแง่ความเป็นจริงความเป็นจริงอาจารย์มาดูคุณทรายเจดียก็มีสารพัดแบบค่ะใช่ถ้าคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะสร้างเจดีทําเป็นรูปพระพุทธรูปได้ไหมค่ะได้นะ คือถ้าคุณจะสร้างเจดีสถูปเจดีเนี่ยจะทําให้เป็นรูปพระพุทธรูปเราลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันองค์ประกอบของเจดีคืออะไรท่าดินของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเอาท่าดินของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปใส่ไว้ในนั้นสจก็จะเป็นพระพุทธรูปอันนี้เป็นความหมาอาตมานะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นเจดีทรงพระพุทธรูปได้หเ่าเพราะฉะนั้นองค์ประกอบอย่างอื่นอาตมาไม่แขกแต่ว่าอย่างเนี้ยต้องกราบเรียนถามท่านว่าในเมื่อคนไทยเนี่ยก็มีศรัทธา จะเริ่มต้นจากไหนไม่ทราบในการสร้างพระพุทธรูปแล้วก็สร้างรูปที่จะเคารพแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความศรัทธาอย่างไรเนะี่ยทีนี้เราควรจะวางใจอย่างไรถ้าท่านคิดว่าให้สบายใจกันที่สุดคือกุศลธรรมพุทธเจ้าบอกว่าความเพียรเนี่ยเราต้องมีอกุศลธรรมที่มียังไม่มีนะอย่าให้มันมา ที่มีอยู่ให้เอาออกไปใช่ไหมถ้าเราบอกเรามีศรัทธาเห็นพระพุทธรูปองค์นี้เป็นเหตุทําให้ผลคือเรามีศรัทธาผลอันเนี้ยดีให้ทรงเอาไว้ทําให้มากขึ้นแต่ถ้าเราเห็นพระพุทธรูปองค์นั้นและเราศรัทธาตกไอ้ศรัทธาตกไม่ดีอย่าเอามาเพราะฉะนั้นไปหานิมิต ท, ที่ดีทําให้เรามีศรัทธาดีกว่าค่ ะ, ะก็เหมือนกันว่าเป็นุสัมมาวยามะความเพียรชอบเหมือนกับว่าขอให้ถือว่า จิตของเราต้องรักษาจิตของเราจิตเราสําคัญแล้วก็เราก็อย่าไปทุ่มเถียงอย่ากล่าวว่าจาที่ทําให้เกิดการทุ่มเถียงกันนะคะเพราะว่าทุ่มเถียงแล้วจะยังไงนะคะทุ่มเถียงกันก็จะทําให้พูดมากร้อยคาถาตถาคตร้อยแปดคาถาคตภาสิทธิ์ที่จะได้แจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทางผู้ฟังเนาะพระเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าอย่ากล่าวเธอพึงคําการศึกษาว่า อย่ากล่าววาจาที่จะทําให้เกิดการทุ่มเถียงกันเพราะว่าถ้ากล่าววาจาที่จะเป็นให้ทุ่มเถียงกันแล้วเนี่ยก็จําต้องหวังการพูดมากเมื่อมีการพูดมากย่อมคิดฟุง้งซ่านเมื่อคิดฟุง้งซ่านย่อมไม่สํารวมเมืม่อไม่สมรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิเมื่อห่างจากสมาธิแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มาและเสนา ม, มาจะทําอะไรอะไรได้ตามใจชอบค่ะอันนี้อย่าทะเลาะ ก, กันฟังดูเหมือนกับว่าอบอกพระบอกคนที่อยากปฏิบัติธรรม แต่จริงในโลกปัจจุบันนี้ชีวิตประจำวันของเราเรามีโอกาสที่จะทุ่มเทียงกับคนเนี่ยมันทำให้เสียสมาธิเสียศูนย์ในเรื่องงานใหญ่ได้พอดีเวลาจำกัดแต่ว่าติดค้างคำตอบมีคนก็สนใจจะไปวัดป่าดอนหายโศกค่ะสงสัยจะอยากไปปฏิบัติธรรมเปิดคอสิเมื่อไหร่คะท่าน เ, เดือนธันวาคมวันที่ห1 3ถึแล้วก็ในปีองันบเนี่ยเราก็จะทาทุกเดือน ให้ให้มีโอกาสใครก็ตามที่จะมาหลีกเร้นได้ได้ไปที่ปฏิบัติที่วัดปด่าดอนไฮโศกได้ทางไปวัดปด่าดอนไฮโศกก็ไปจากกรุงเทพเพื่อเจออุดรก่อนอไปถึงอุดร <c oughs> จากอุดรธานีเนี่ย <c oughs> ก็ไปเส้นทางหลวงหมายเลข22่สิงไปทางจังหวัดสกลนคร <c oughs> ไปถึงหลักกิโลเมตรที่19ใช่มโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าก9กกิโลเมตรที่ย6ขไป อีโเมนที่26จะมีป้ายวัดป่าตาไนโศกอยู่ทางซ้ายมือก็เลี้ยวเข้าไปแล้วก็ตามป้ายไปตลอดจากตรงทางแยกตรงทางหลวงหมายเลก22เข้าไปก็ประมาณ12กิโลค่ะแั่นี้หมายถึงว่าบอกคนมีรถแล้วละ่ะ ไปแล <isty ö. S 1> ้วก็ไปทางหลวงหมายเลข22ทีนี้คนไปรถโดยสารธรรมดาเนี่ยไปถามหาใครเขารู้จักไหมคะที่ยูดอนอ่าก็คืออยู่อําเภอหนองหานค่ะอ่าตำบลดอนไหนโศกเขาปะรู้จักรู้จักเลยนะคะเพราะมันมีอยู่ที่เดียวแหละตำบลดอนไหลโศกอำเภอหนองหานแล้วก็วัดป่าก็มีอยู่ที่เดียวค่ะก็ก็คงจะไม่ไกลจากตัวจังหวัดอ่าทั้งหมดรวมระยะทางจากจังหวัดตัวจังหวัด26กกิโลยกกิโลอ่าถ้าจะติดต่อ เข้าเว็บไปดูก่อนเว็บอะไรนะคะเว็บหลวงพ่อด็อกเตอร์ดอทคอมเว็บเว็บด o ทลูเ c แอนจพี T o ค้นหากูเกิลน่าจะเจอได้ก็พิมพ์วัดป่าดอนไหนโสโงนะคะค่ะวันนี้ก็นำมาสักการขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะาอาจารย์เตระพ่